เต็มไปด้วยเปลือกด้วยกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งนั้นที่ไปเห็นนั้นสิ่งที่ต้องการมองไม่เห็นเลยคือแก่นที่เป็นเนื้อแท้สึ่งสมควรณ์จะมาทําเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันดูภายในเรามองไปที่ไปเห็นด้วยตาเนื้อชักนี้มันมีตั้งแต่เปลือกมีแต่ลําต้น มองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่ปีการสาขาใบดอกเต้นไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วไม้ที่จะปลูกบ้านปลูกเอือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจำนวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือน มาเลื่อยมาแก ร, รูปเป็นต่างๆให้ได้หลายแผ่นหลายๆชิ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องหาไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยแล้ว เ, เวลาเราไปมองเห็นต้นไม้แล้วมันทําให้อ่อนใจเหมือนกันแต่เมื่อรู้วิธีที่จะทําแล้วอ่อนใจมันก็รู้วิธีมันพอทําได้ ่ตัดไปโคน่นลงมาแล้วต้องเลื่อยอก็ต้องมีแบบมีถบับ ก, การตัดการโค่นการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีถบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะเป็นได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกัน เพียงงบมันจะพอรด้ทราบจาท่านสอนเรื่องการภาวนาเะนั้นเราเอาเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานทอนนาเป็นงานสําคัญอยู่มากทีเดียวทวันหนักก็หนักมากต้องใช้ความละเลอียดรอต้องใช้ความอดความทนจริจริงจังๆถึงจะได้ผลเป็นลําดับไปทีนี้เพียง ได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอย่างนี้แต่เรายังไม่ทํามันคิดลำบากไว้ก่อนเนละ้วเป็นทุกคิดทุกคิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจเนี่ยทำให้ใจก่อนไปหมดแนละ้วน่นมันก็เหมือนเราไปมองในต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะทำได้อย่างไรก่อนแต่ที่เรา นั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นัองนั่นแหะเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเปน็นทันทันเป็นถื่อเป็นแปรเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่างเขาสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุตสาห์พา ย, ยายามและความทหลาดของเขามีการบาเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตสาห์พา ย, ยายามความอดความนทนเช่นเดียวกัน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 ในบ้านในเรือนหลังสวยๆงามงามแมน่หนามันคงสง่าผา่าเผยเป็นที่ปลอดภยัยไร้ทุกโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่เห็นไม้ทั้งต้นทําไมโลกเขาทําได้เราจะทําไม่ได้นานบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทําไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดเราก็คนคนหนึ่งทําไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้เหล่านี้ไม่ได้ล่ะเห็นไหมมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็ เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีเรือนหลังสงา่าพาเผยใหญ่โตลโลหัวานปรากฏเด่นทัดมองมาทั้งหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุก็ได้เจะจอมปราดทั้งหลายมีประพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันนี้หนามัน่นคง นีกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายมีหมายถึงเรือนใจแล้วท่านทำวิธีได้ท่านจึงสามารถฉลาดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พึงปรารถนาจดได้ปรากฏชื่อดือน้าและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประธานทะโอวาทเอาไว้นั้น เราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความเจริญแต่พาะ อ, อย่างยิ่งทางน้านจิตใจท่านทําอย่างไรแล้วก็พยายามทําอย่างนั้นอ่าจะยากลำบากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลักแกวหลกักปอยจิ่งก้านสาขาอะไรมีตั้งแต่หลักแกวหลักปอยของวิชาตันหาอาสวะ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 เรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสทันหาสมะไม่รู้กี่ชั้นกี่รับกี่กันที่ได้สังสมมาเป็นมลาหนาะพอตหนดกิจลงไปไปเจอนี้แล้วก็ทำให้อ่อนกันความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนาุูยภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย มองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสําคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดึงจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทําให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอภายใจิตใจทั้งนั้นนี่ในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดะพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราท่านท่านหรือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคยให้การอบรมสอนเรามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายาม ได้วิธีการจากทำที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้า จ, าจากครูบาอาจารย์แล้วนำวิธีการนั้นแต่ท้าโดยทำเพื่อนตัวเองสติปัญญาท่านบอกอยังไงก็พยายามดำเนินนั้นตามนั้นแล้วพยายามบางังคับจิตใจทั้งเราให้มันแตกแขนงไปด้วยอำ น, นาจของกิเลสแต่ประทางใดบ้างคิดตรุงในทางใดบ้างนะอาพยายามหักห้ามเข้ามาด้วยสติอืพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมาด้วยบทธรรมนีม่เลย เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบงังคับเป็นอย่างเชืมั่วปวดขันตั้งท่าต่างๆเหมือนกับเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงเท่านั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทําเหมือนก็จะเข้าแตงแตงถูกค่าถูกสังหารอย่างนั้นแหละมันฟืดมันเคืองมันอะไรทั้งหมดรวมมันนั้นหมดมถึงเมื่จิตใจติดเต็มไปด้วยกิเลส ในถูกการบังคับบรญชาก็เหมือนกับถูกการซักฟอกนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่งเอาจริงเอาจังก็คอยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือก็ปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายเน่ะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสงบมันก็สบาย นี่ความสงบนั่นเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาเกิดขึ้นจากการสุดทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านและเจี่ยวสังสมกิเลสันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่ให้คิดปไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบแต่จิตใจของเรา นี่เมื่อทำถูกทางทำถูกวิธีอีกก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นนี่ว่าเริ่มมีต้นทุนเขาเหมือนเขาเขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันละกินอแล้วลยิง่งเลื่อยออกอมาเป็น แผ่เป็นลายแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอืไม้เนื้อยังไงบ้างดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิ์ดียังไงชาบหมดอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วมั น, นก็ไปเห็นจิตทั้งตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลําพังไม่มีอารมณ์อันไดเข้ามาก่อกวนความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาจู้จ่ก่อกรวนนี้เป็นความสุขนี่คือคุณค่าของจิตที่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 คือความสงบมีผลดีอย่างไรเห็นหมความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนนี่พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าหน้าไปเดินลำดับหรือพยายามปุ้ยเคียสิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจด้วยคำลนะสาสานกันออกโดยลำดับลำดับจิต ก, ก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นไม่เป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันติโกให้เห็นเองสําหรับผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสบายหรือความอาศัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกทาละซักฟ อ, อกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นไปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอศัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม เห็นความแปลประหลาดและวการขึ้นภนยในตัวแล้วเรื่องความขยันมันเพียนความอุตสาห์พยายาม น, นั้นมันเป็นมาเองทุกอย่าลำบากาแค่ไหนก็ามายอมลดละไม่ยอมถอยหลังคลืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการข้าเดินของจิตเดินไปทั้งผิดถูกอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องน้ำมัตระวังรักษา แต่ก่อนไม่มีเลยมิแต่ขี้เล็กอาจจะขยะมันกแหลกหมดถ้าว่าจิตนี้เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี้นไม่มีอะไรเบือเลยเลยผุยผงเปนซะอีกอาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นอากาศกระทาทั้งหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทกอยางลำบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติทั้งตนไม่มีความทิดหายเมื่อได้รับการชักว่าขึ้นมา ความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นสิ่งสกรปรกโสมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำดำได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมด็ดดำๆที่จางออกไปไปก็จะมองเห็นแสงสว่างแห่งพระอ า, สสาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวายขึ้นมะที้นั่งที่ไหนก็เริ่มสบายนะทีนี้นะเออทําการทํางานอะไรก็สบายทําให้เพลิน ในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภายนจิตก็ทําให้มีความสบายคิดย้อนหลังไปถึงการภาวนาขเราก็ทําให้เพลินเนี่ยแล้วคิดแต่ข้างหน้าก็ทําให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆจะทําให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบความสบายความแตกตหลาดความอัศจรรย ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยละ เ, เอียดต่างกันเป็นลาดับหนึ่งท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตที่นี่จิตไม่ค่อยโอนค่อ เ, เอนอะไรนักะ่ะเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่ เรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นจใจสบายพอจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลำดับหนาลําดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยวิตกวิจารว่าจะโอด่าขาดแคลนเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องสนองมีอยู่แล้วจิตใจเมื่อ เป็นสมบัติขึ้นพาในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจํากับใจอยู่แล้วก็มีความสมายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นโม่ไม่ว้าเวมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนขั้นนึ่งแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามสึกหาที่ค้นตามท่าตามขันตามมรนณะนของเราด้วย หลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอธิยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเลยมาสอนพวกเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อพระนผ่านเพื่อความหลุดพ้นเป็นลํำดับลําดับอืมอันในที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกต้องกับจิตของเรา เรามีความสนิทกับธรรมใดในทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็าตามเป็นทุกขังก็าตามเป็นนัตพาก็ตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในในธาตุทั้งสี่นี้กับอาการใดในอาการทั้งสามที่สองซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายุรนะใด ในบรรดาอายุราที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาของสมุกลิ้นกายตลอดถึงใจเราจะพิจารณาอายุะใดก็าตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็าตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสี่นี้ก็ต่างย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถา้าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกัน เป็นสติปัะฐาสี่ด้วยกันตามใจกริตงทั้งเราที่ถกจะพิจารณาลึ้นหนักในอาการใดในธาตุใดขันใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรู้เพียงธาตุเดียวขันเดียวนี่เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมทราบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆเพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องต้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเรา ทำงานในขันนั้นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยระดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะขึ้นงานหรือดำเนินไปเดินแนะับเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคือดังทุขาตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเรา มีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึนขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นไอลตล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสูาา่ภายใาจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกำลังควรแต่าการพินิพิจรารณาท่านเตรียมให้นอนใจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพราโฮติมหานิสัางส่างปัญญาที่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 มากน้อยเพียงใดย่อมมีความดุดดึงต่องานของตนโดยลําดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลําดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสวัสด์หนเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจารนณานในเงี่ยทําต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั่นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสีย ไม่ฟุง้งซ่านลำคาญเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบผีแล้วภายในใจของเราจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิจารณาก็เหมือนกับเราทํางานเมื่อติดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพักสักทีเข็นรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดทั้งสิน้นทักให้สบายพอสบายแล้วก็ทํางานอีกเวลาทํางานไม่ต้องไปกังวลกับการพัก พอได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทา ง, งา น, นขนาดที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตเราก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทำบทใดก็าตาเช่นกาหนดพูดโธหรืออนาปานทติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบเท่านั้นไม่ต้องไปคิดยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทําให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบ พอออกจากความสงบที่จะก้าทางด้านตัญญาให้มีแต่หน้าที่ของปิารณาทางด้าตัญญานั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแย้งกันกับงานที่กําลังทํานั่นคืองานสมาธิโอก้ก็นั่นคืองานของปัญญาการทําต้องมีการคิดการปรุงการอะตรึกตรองที่พิจารณาในสิ่งต่างๆ เพื่อความรู้แจ้งห็จริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังสิ่งในสิ่งที่กําลังติดทันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เดียวว่าเวลาทำงาะทําให้ เ, นนเหต็มเม็ดต็มหนุนไปต้องอยุ่งจนเต็มที่เห็นแจ้งหจริงอา้าวธาตุขันขันไหนถนัดกับปิดในขันไหนรูปาขานันแยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อของหนังกองกระดูกทั้งนั้นปาฤฤฤฤัาธาตุพิดิบเต็มอย่งนี้หมดออืเรามาถือทําไม เมื่ออาความจรินมั่งเหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนเราสอนหลังนี้ดูนี่เราไปเยี่ยมป่าชาป่าชาภายนอกยังควันทั่วป่าชาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดเออยิ่งหนัอินห า, าละอาใจ ย, ยิ่งกว่าป่าชานั้นมากมาแต่กองทําไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่ออายกดหลักธรรมชาติมั่งเหรือคือความจินของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทําไมเราจึงไปยอมตนบา ต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกทุกมาให้ตัวเองอยางมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสินใดทั้งหมดในโลกนี้ห น, ะนักการพิจารณาอย่างนี้กาพิจารณาเพื่อแก้ความหลงของของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความกินอยู่อย่างไร ก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตจะถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมาย่งการพิจารณานี้แหละฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆถึงเราพิจารณาลูกก็ไม่หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาปัญญาสั้งหลายทั้งานแต่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของลูกของกายของธาตุของขันธ์นี่อย่างชัดเจนตาม ความจริงของหมายพิจารณาเวทนาสัญญาทั้งขันญาณก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้รุ่งผู้หลงติดกันผู้สาคัญมันหมายจิตต้องแก้วความสํางขันหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจนโดยลําดับและเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สําคัญสําคัญที่ความเข้าใจเข้าใจจนปล่อยวางได้หากว่าเรา อ่อนเพลียแล้วก็พักเป็นการพิ ULAR ดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบแล้วภาคเสียตานั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณาเลยนะช้ทำช้ำซากซา ก, ากไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดิ้นถือถึงจะยากจะลําบากอย่างไรก็ตามเมื่อ เราได้ดำเนินจิตก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะถูได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แล้วครับเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าเป็นไม้ก็กําลังด้วยกําลังสากบรูปเหลี่ยมของมันอย่างเทินอ่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นทีเดียวกระดานเจ้าจะประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นที่เป็นอันเห็นอย่างชัดเจน ควรที่จะสายกบรูปเหลี่ยมไสาลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความถลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความถลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกคัดขันให้เป็นอะไรตามความจรินงข้างมันแยกจะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ตอยจนสามารถถอดถอนตนน้งตนออกได้เช่นจากรูปทบทวนาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วกิตจะทนไปยัดยื้มั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ บังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานะนี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสำคัญถือเอาความรอบเป็นสำคัญแล้วการเรียบที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารู ป, ปรกายของเราทั้งกายนะเจ็บที่ตรงไหนก็กายของเรา ก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉะนนจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทืนกับเราสิ่งภายนอกจังกายแสงกายสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงปุญมายาของสิ่งเหล่านี้อืเดีย๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเสีย้ยถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงอหลงประยึทธ์ไปถือ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 แม้จะไม่รู้เรื่องกันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับจิต อ, อ ก, กับกายก็ตามกายเป็นการรับรูก้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโงูเกเผาเบาปัญญาก็ต้องประยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกจึงต้องใช้ปัญญาพิจนารณาแยกแยกให้เห็นตามของจิขงของกายของเวทนาของจิตให้ชัดเจนลงไป การพิจารณาทำขั้นนี้เพลินเพลินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เรียกว่าเพลินเป็นขั้นนาบดื้อขั้ขั้นสม่ำเสมอเป็นความเพลินอ้าวที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ทุกเวทนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเรียวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวอ่าถ้าเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัด แชมจะหลุดถ้าไม่เก่งทำง่ายจะให้เขมขาดมันคงที่อยู่ได้ให้ได้ใช้ชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากดมหายใจสิ้นไปเสีะทั้นนั่นถึงจะถอยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตาย ขณาที่ตายยมันหนักยิ่งกว่านี้จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เหตุใดเราจะพิจารณาได้ในขนาดตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้มาได้ถึงขนาดตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้ยังไงหน่ะเอามาเทียบเทียงเอาเข้าไปพิจารณาเข้าไปอืทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขนาดนี้กับทุกเวทนาในขั้นตายมันไม่เป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้ พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันที่ขนายแยกแยะมันเจ็บมันทุกมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริ่คือทุกเวทนากับกายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนละอย่างลอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาค้าเข้ า, ขากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเอง ธรรมะค่าข้าวก็คือว่าเล่าเป็นคนไปกว้านธอรมาค่าข้าวมาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราตัางหาธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ด่ายิ่งเหล่านี้เป็นความสําคัญของของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่ได้สำคัญตนมาเป็นทุกข์ทั้งๆที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นไรเป็นของใครเวทนาคือความทุกข์เป็นต้น ท, ทุกมากทุกน้อยก็เป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่ไม่ได้มีความสําคัญนั้นหมายและมีความรู้สึกว่าตนเนี้เป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่ไรเป็นขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรต่อใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาลุงลวนสําคัญที่จิตจะต้องไปพิจารณาให้เห็นชาติเปลนตามสิ่งเห่างนี้ทุกก็เห็นมันเป็นความทุกข์อย n, ่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มันคลื่คลาดออกมาหาเราว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกไม่ว่าทุกเป็นกายกายเป็นทุก ถ้าอย่างนั้นมันค้าเข้ า, ขากันผพิจารณาให้เห็นชั้นดังนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสำคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเดี๋ยว่าจนกรอบหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยถ่าเยเหยื่อหาทางถอยถอยไม่ได้ทุกเวทนานเราถอยไม่ได้ยังไงถอยแสดงมันยีเหยียบย่ำเราลงไปจนติ๋วตังไม่มีกับตัวเลยดีแล้วเหรอห่ะ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 โดยทางปัญญาของเรานี่แหละจะได้ชัชนะที่ตรงนี้พอได้ชันะที่ตรงนี้อย่างประจักษ์แล้วเอาตายเธอนานมันขึ้นทันทีเลยจะ ต, ตายที่ไหนก็ตายเธอเวลาไหนก็เธออิเดียบทใดก็เธอมันเป็นความจริงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกขเราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนามันต่างอันต่างจริงเนี่ยเอา้าดับดับไปถ้าไม่ดับจะอยู่ก็อยู่ไป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 เราต้องการความไม่มีหวังเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยอนจิตใจเราให้เกิดความรุ่งหลง<ม>ทุกขเวชนะเบชนาเป็นของจริงก็จริงแใจพิเลษมันมันทอบแทะเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้จึงต้องท้าปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งท้าเจอนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นขั้นเรื่องธาตุเรื่องขันอืม รูปธาตุรู ป, ปรขันธ์เวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจริงอยู่ในท่างกลายอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้กระดงังมันเข้ามากระทบโดกลายเป็นเนื้อบนเขียงก็ได้ถ้ามันหมุนขึ้นมาเขียงหนุนขึ้นมามีดสับลงไปอืม ตัวเราคือจิตก็เลยแหลกละเอียดพอดีถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหลเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันลงไปได้มีดเราหามาได้คือปัญญาของเราสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้ยอย่างสบายๆถ้าเราถลาถ้าเราไม่ถลาดกสิ่งเหล่านั้นเราฟันมืเอเรามีดฟันมือคนงานรูปเวทนาธั ญ, ญสังขารวิญญ า, านี่แหละเป็นข่าศึกต่อเราผู้โง่ พราเป็ผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะาห้จิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยถึงนี้เป็นเครื่องรับเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความพฉลียวลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทียนสําคัญในการทวันหะ เราพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากับกายกับจิตอ่าทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยทั่วทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้ขนมาอย่างนี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทัง่งต่อยวางได้อีกเพิ่มเดียวกัน อวิชาปัจญาสร้างขารสร้างขาราปัจญาวิญญาณวิญญาณปัจญานามรูปตังเรื nell, os, Bailey, ่อยอๆเืยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นธรรมะทิฏฐิภูตังอวิชชาปัจญาสร้างขาราท่านล่ะทิฏิภูตังหมายถึงจิตอวิชชาอาศัยจิตเป็นอวิชชาปัจญาสร้างขาราขึ้นมาแถมต้องพิจารณาลงไปที่นั่นกันลงไปที่อวิชชาปัจญาสรงขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต มีจิต ja. เป็นที่อาศัยของวิชาไม่มีจิตอวิชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นทำรากังหัน osos, Belgium, ที้นั่นสรากปันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชาขาดกระจายหมดอวิชารัตเวะภาด้วยกันแล้วที่นี่ก็ดับดับดับดับเรื่อยไปโดยมีปัสสาวะวาระสัตว์ตุกข์ขัดขัดปัสสาริมทั้งหมดชมอะนิโรโทโหตินะ่ ในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทรโยโหติทากกา ล, ลายเป็นอริชาวัต ร, ววรยวาเสวาสัจราคานิโรธาชังราญิโรโทแล้วก็เป็นนิโรโทโหติเอวเมตสาเจลาสัดุท ข, ขั้นทักษะนิโรโทโหตินั่นเนยียบพลิกกันเพื่อนกันนั้นกลายเป็นนิโร ด, ดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับที่เหลือดับสนิทไม่มีอะเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายหองการสร้างบ้านสร้างเรือน มาตั้งแต่คว้าวไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเดือนมาไสา่กรดรวมอย่างมาเรื่อยมาอะไรคนนี้แต่จนกระทั่งถึงสาเร็จขึ้นมาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ที่สุดขึ้นภ า, ายในจิตใจของเรามีความลําบากเป็นธรรมนาแต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งจากความลําบากนั่นแหละความลำบากนั้นจริงเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผลนี้เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจ ดังหลักธรรมท่านกล่าวว่าทุกข์สานิ่นตลังสุขขังสุขเกิดจากเรื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์แล้วก่อนจะได้รับความสุขนี่การประกอบความทาาเทียนจะเป็นของง่า ย, ายเมื่อไหร่ต้องแบบแต่กองทุกข์ด้วยการกระทําทั้งนั้นนักก็ทําเบากระทำนักก็ทุกเบาก็ทุกนะว่าจนมาตั้งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละนา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 เรีว่าเป็นที่กระทำให้มีความลื่นลึงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบา ย, บายในระหว่างขันธปิตที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว ส, สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วจากนั้นแล้วคําขึ้นมาขึ้นถึงคําว่าบิมุมดคือหลุดไปเลยจากาาข้าศัตริย์ไม่เพียงจะหลุดจากที่เด่นแล้วปล่อยจากข้าศัขันย์ไปแล้วหมดคําพูดที่จะพูดกัน อีกต่อไปจึงขอหยุติการแสดงเพียงเท่า น, น, นี้